กล่าวถึงเรื่องของวิปาาัสสนาญาณเช่นวิสุทธิมักเล่มสุดท้ายเลยนะสุทธิมักมีประมาณหเล่มเล่มสุดท้ายเนี่ยกล่าวถึงเรื่องวิปัสสนาลุน่ลนๆเลยนะส่วนธรรมพีอื่นๆก็เช่นปฏิสัมพิธามักก็อื่นเนี่ยนะนอกจากกายก็คือเนระมิตรพระแต่ว่าอารมณ์ของวิปัสสนาพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งขึ้นมาเช่นหรือพระ อ, องค์เนรมิตพระวิพัง์ ธาตุวิพังทจะวิภังคำพีเหล่านั้นก็ชี้แจงจำแนกรายละเอียดของวิปัสสนาทีนี้ต่อไปอีกนะว่ายานที่สองนะวิชาที่สองที่พระองค์มีอยู่ก็คือมโนโมยิยิอ่ามโนโมยิธินั้นก็คือฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยใจเนี่ยนะ หรือว่าฤทธิ์ทางใจหรือการเนรมิต ร, ร่างกายอื่นเนี่ยนะนอกจากกายก็คือเนรมิตพระพุทธะ อ, อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเนรมิตพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งขึ้นมาเช่นหรือพระองค์เนรมิตพระพุทธเจ้าสามองค์ขึ้นมานะสมมุติว่าพระพุทธเจ้าองค์จริงเนี่ยพระองค์ทรงประทับนั่งพระพุทธเนรมิตบางองค์จะยืนบางองค์จะนอน บางองค์จกเดินถ้าพระพุทธรูปถ้าพระพุทธเจ้าองค์จริงเนี as well as ่ยทรงเดินจงกรมอยู่พระพุทธเนรเมธเนี่ยบางองค์ก็จะนั่งบางองค์ก็จะยืนบางองค์ก็จะนอนถ้าหากว่าพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าองค์จริงเนี่ยทรงนอนพระพุทธเนริมธก็จะอยู่ในอิริยาบถสามที่เหลือก็จะลักษณะนี้นี่แหละนั้นเขาเรียกว่ามโนมยิธินั่นแหละที่ ทำเหมือนกับดุดชักไสจากหญ้าปล้องชักดาบจากฝักหรือว่าชักงูออกจากคราบน่ น, นะงูลอกคราบนั่นแหละมันก็คล้ายๆกับของจริงเกือบทุกอย่างเลยนั่นแหละอันนี้เรียกว่ามโนมยิธิถ้าเป็นสาวกนะองค์ที่เลิศนี้ก็คือพระจุลมันทกสา ม, มารถเนรมิตพระจุลมันทกขึ้นเป็นพันองค์ เนี่ะขึ้นองค์หนึ่งเย็บองค์หนึ่งยอมองค์หนึ่งทำกิจต่างๆองค์หนึ่งเดินจงกรมองค์หนึ่งนั่งขัดสมาธิเนี่ยนะที่จริงท่านอยู่องค์เดียวท่านเนรมิตพระขึ้นมาเป็นพันนะในวัดเนี่ยนะพระจุลบัรทกนี้เป็นเอทัคขะแต่ว่าพระพุทธเจ้านี้สามารถทำได้เหนือกว่าพระจุลบัรทกอีกนะนะันนี้เขาเรียกว่ามโนมยิธิแล้ก็วิชาที่สอง ส่วนวิชาที่สามก็คืออิทธิวิทาหรืออิทธิวิธิก็คือการแสดงฤทธิ์ได้โดยประการต่างๆเช่นว่าเหาะเหินได้เนี่ยนะเหาะได้เดินแทรกเดินทะลุช่องภูเขาทะลุฝาทะลุกำแพงได้เนี่ยนะมุดลงไปในดินเหมือนกับมุดไปในน้ำก็ได้เดินบนอากาศเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ยังไง องกว่าสแสดงฤทธิ์นะไงอิทธิวิธีสแสดงฤทธิ์ต่างๆเช่นพระองค์เนี่ยทําให้อากาศเนี่ยมันมืดไปหมดเลยก็ได้ทําให้สว่างไปหมดเลยก็ได้ทําให้แผ่นดินไหวก็ได้เห็นไหมพระองค์ทําได้ทุกอย่างในแล้วพระองค์เนี่ยสแสดงฤทธิ์อย่างอื่นเช่นทําให้ท่อไฟออกจากตาข้างซ้าย ท่อน้ําออกจากตาข้างขวาอย่างเงี้ยท่อไฟออกจากหูซ้ายท่อน้ําออกจากหูขวาเนี่ยนะซึ่งมันสลับทุกๆแม้กระทั่งโดยทุกขุมขนน่ะมีท่อน้ําท่อไฟไหลออกมาเดินจงกรมด้วยยืนด้วยนั่งด้วยนอนด้วยแล้วก็แสดงทำด้วยอย่างเงี้ยโหพระองค์นี่สามารถทําได้วิจิตพิสดารอันถ้าพระองค์แสดงแล้วนี้แล้วเรียกว่าหูทิพย์ฟังเสียงเรียกว่าพระองค์นี่หูดีมารับฟังในแต่มาจาก เรื่องของยมกปาฏิหาริ์ที่พระองค์ทรงแสดงนะเนี่ยยมกปาฏิหารนินี้บางทีพระองค์ก็ทรงแสดงให้พระญาติดูก็มีเนี่ยนะตอนก่อนที่จะแสดงพระเวสสันดรชาดกแถวๆนั้นนะหรือว่าแสดงตอนที่พระองค์ล ง, ลงจากก่อนที่จะขึ้นไปเทศอภิธรรมเนี่ยนะก่อนที่จะขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมปิดกพระองค์ก็แสดงฤทธินะ์เนีย เรียกว่าพวกยมกปาฏิหารยะมะกะนะยะมะกะปาฏิหารทีนี้วิชาต่อไปก็คือทิพซอดเรียกว่าหูทิพฟังเสียงเรียกว่าพราะองค์เนี่ยหูดีมารับฟังเสียงแม้แต่มาจากพรหมโลกก็ได้เหมือนกันหูดีขนาดนั้นเนี่ยนะบอกว่าพรหมโลกเนี่ยสมมติว่าหินเนี่ยเท่าๆสาราเราหลังเราเนี่ยนะ เขาบอกว่าความไกลของพรหมโลกก็คือหินนั้นถ้าตกลงมาในโลกก็ใช้เวลาประมาณสี่เดือนตกมาถึงมื้งนั้นอันจากพรหมโลกกับมนุษย์นี่ห่างกันขนาดนั้นแต่เ่ยแต่ว่าบางท่านก็อ้าวทำไมไปไม่ถึงน่ะไปไม่เห็นน่ะจะไปเห็นได้ยังไงขนาดเทวดาเนี่ยนะปีศาจคลุกฝุ่นอยู่ตามโคนมากก็ยังมองไม่เห็นเลยนะแล้วพรห ม, มโลกไปมองเห็นได้ยังไง เทวดามันเดินปาดหน้าเรายังมองไม่เห็นเลยเห็นั้ตนเราเนี่ยตามีตาก็เป็นตาที่มองเห็นบางอย่างที่มันหยาบๆอะไรเท่านั้นเองเห็นมของทิพย์ก็มองไม่เห็นแต่พระองค์นี้มีหูทิพย์เนี่ยสามารถที่จะรับเสียงหูไกลมาจากมากมายก็คิดดูนะถ้าเรามีโทรศัพท์อยู่ตรงนี้นะทั้งๆที่ไม่มีสายไม่มีอะไรแต่สามารถโทรไปอเมริกาได้ใช่ คนสมัยนี้มันมีบุญมากมายแต่ก็สามารถรับฟังได้ขนาดนั้นนะหรือเอาวิทยุมาอันหนึ่งมาเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้จากตั้งหลายประเทศอยังงใช่ไยังมีทีวีบางบา ง, บางเครื่องสามารถรับดูภาพจากเกือบทั่วโลกเลยนั้นถ้าสมัยนี้ก็นับว่ามีตาทิพย์หูทิพย์พอสมควรเนี่ยนะแต่ว่าแสดงว่าคนมีบุญมากใชก็ใช้บุญเปลืองหน้าดูเลยนะ ถ้าหมดบุญแล้วจะไปอยู่กันยังไงเนาะเพราะว่าเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้สภาพจิตก็ไม่ได้เป็นไปกับบุญกุศลอะไรเท่าไหร่ทีนี้ต่อไปนะเจโตปริยานเจโตปริยานก็คือวิชาที่กำหนดรู้ใจผู้อื่นได้กำหนดใจคนอื่นเลยนะเช่นใจเขามีราคาก็รู้ชัดเจนว่าใจของเขามีราคานะ ใจมีราคาก็คือจิตที่เป็นโลภะทั้ง8ดนั่นแหละสามารถรู้ได้เลยว่ า, าจิตของเขาเนี่ยเป็นไปกับโลภะอย่างใดอย่างหนึ่งในโลภะแปหรือว่าจิตปราศจากโลภะจิตปราศจากราคาเนี่ยนะคือจิตที่ปราศจากราคานั้นเป็นกุศลนะเป็นมหากุศลและถ้าเป็นมหากุศลเนี่ยเป็นไปกับทานเป็นไปกับศีลหรือเป็นไปกับภาวนาอันนี้ก็สามารถที่จะยั่งถึงจิตเหล่านั้นของเขาอีก ถ้าจิตเป็นไปกับโทสะโทสะมีสองดวงเนี่ยนะเป็นสังขาริกรือ ส, สังขาริกสภาพจิตเขาเป็นอย่างไรก็อย่างถึงหมดหรือจิตปราศจากโทสะจิตที่เป็นไปกับเมตตาจิตที่เป็นไปกับกรุณาเป็นต้นเนี่ยนะเขาก็อย่างถึงอีกเนี่ยนะงได้เป็นอเนกเนี่ยนะตลอดหนึ่งชาติสองชาติสมชาติถอยหลังไปเนี่ยนะหรือ4ี่ชาติหชาติสชาติยี่สิจิตกิริยาจิต มหากรุสลจิตยอย่างเงี้ยก็ยังถึงหมดเลยนยะอ่านะปัญญาหรือวิชาที่ยังถึงจิตทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าเจโตปริยญาณญาณที่กำหนดรู้ใจของผู้อื่นได้เนี่ยนะสภาพจิตเขาเป็นลักษณะไหนก็ยังถึงทั้งหมดเลยนี่ก็เป็นชื่อของอพวกอภินยาทั้งนั้นเลยนะส่วนต่อไปก็ปุเพนิวาสานุสติญาณ ยานที่ทำให้ระลึกชาติได้สามารถที่ระลึกชาติก่อนต่างๆได้เป็นอเนกตลอดหนึ่งชาติสองชาติสามชาติถอยหลังไปเนี่ยนะสี่ชาติห้าชาติสิบชาติยี่สิบสามสิบสี่สิบร้อยเป็นพันเป็น1มื่นเป็นแสนชาติเนี่ยนะหลายๆแสนชาติตลอดสังวัตกรกับวิวัตกับหรือหลายหลายสังวัตวิวัตกับ ถ้าพระพุทธเจา้านะระลึกได้เป็นอสงไขยอสงไขยและไม่ใช่เฉพาะอาสงไขยเดียวเท่านั้นหลายหลายอาสงไขยพระองค์เนี่ยระลึกได้มากมายมหาศาลกขาบอกว่าการระลึกชาตินี่เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนกับเรากลับ เ, เราเดินทางมาจากบ้านมาถึงเนี่ยเราระลึกได้ไหมว่าเรามาจากบ้านเนี่ยเดินทางมายังไงอะไรยังไงแวะคุยกับใครบ้างพอร ะ, ะลึกได้ไหมอย่างเงี้ย มันระลึกชาติได้ก็ลักษณะนั้นแหละเขาสา ม, มารถระลึกชาติได้มันคนที่มีอภิญญาเนี่ยสา ม, มารถระลึกได้อย่างมากมายมหาศาลเด่นนะแต่ก็ต้องมีอภิญญานั่นแหละเป็นเครื่องมือให้ระลึกเด่นนะว่าในชาตินั้นมีรูปร่างแบบนั้นมีผิวพรรณแบบนั้นมีหน้าตาอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นมีอายุเท่านั้นมีชื่อมีแซ่อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยระลึกได้หมดเลยอ่า ตายจากชาตินั้นไปเกิดในชาตินั้นในชาตินั้นมีชื่อมีผิวพรรณมีหน้าตามีรูปร่างมีอาหารมีอายุเท่าไหร่ตายจากชาตินั้นแล้วไปอีกยังไงยังไงยังไงก็ละลึกได้ทั้งหมดพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศอะอย่างนี้เขาเรียกว่าปุเพนิวาสารสติญาญางที่สามารถละลึกชาติได้วิชาเหล่านี้พระ อ, องค์เนี่ยทรงระลึกชาติได้ทั้งหมด แล้วพระองค์ไม่ได้ระ ล, ลึกชาติเฉพาะของพระองค์อย่างเดียวนะนะชาติของคนอื่นๆเนี่ยพระองค์ก็ทรงระลึกมาทั้งหมดเลยเพราะความที่พระองค์ทรงระลึกชาติได้นั่นแหละพระองค์จึงทรงแสดงอย่างเช่นคิอ่าพระสูตรบางสูตรนะมหาประทานสูตรแสดงถึงประวัติของพระพุทธเจ้าพระองค์ต่างๆเช่นพระพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัสสีพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีพระพุทธเจ้าพระนามวเวสภูกระกุสันทโกนาคัมมะณะหรือพระพุทธเจ้าพระนามวกัสปะอันนี้ก็ใช้ปุเพนิวารสานุสติยานแล้วก็แสดงตาบแล้วก็สําเร็จแล้วนั่นแหละหรือว่าสารุสก็อาศัยปุเพนิวาสารความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่เมื่อไรได้รับพุทธภยากรอย่างไรบําเพ็ญบารมีอย่างไรให้ทานอย่างไร รักษาศีลอย่างไรบำเพ็ญเนกขัมมะปัญญาอย่างไรเป็นต้นเนีย่ยทำให้พระองค์ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็อาศัยบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกของพระองค์เนี่ยนะแล้วพระองค์ก็อาศัยบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกของคนอื่นด้วยเช่นระลึกถึงของภาษาลีบุตรแล้วก็แต่งตั้งภาษารีบุตรเป็นเอตทักขะเป็นอัครส า, าวกข้างขวาเพราะพระองค์ระลึกได้ว่าเขาตั้งความปรารถนามา และความปรารถนาเหล่านั้นของเขาก็สําเร็จแล้วนั่นแหละหรือว่าพระองค์ก็อาศัยปุเพนิวาสานุสติยานนั่นแหละระลึกชาติของพระอริยบุคคลอื่นๆอีกนั่นแหละแล้วก็แต่งตั้งว่าเป็นเอตทคะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามความปรารถนาที่เขาตั้งไว้แต่การก่อดไม่ใช่คิดอยากจะตั้งใครก็แต่งตั้งนะ แต่งตั้งตามวาสนาตามอุปนิสัยตามบุญตามบารมีของเขาที่เขาสะสมอบรมมาอันนี้เขาเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณทีนี้ต่อไปก็ที่ประจักษ์ขูยานที่ประจักษ์ขูยานนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นสัตว์เกิดเห็นสัตว์ตายเห็นะปุเพนิวาสานุสติญาณ น, นั้นเป็นญาณที่หน้า น่าสนใจมากเหมเหมือนกับข้อความในพยพระวสูตรกล่าวถึงเฉพาะยานนี้ว่าเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วันไหวยอย่างนี้โน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย คือเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายนั่นแหละเรานั้นเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติคือกําลังตายอุบัติคือปฏิสนธิเนี่ยนะเลวก็คือเกิดในภพที่เลวประณีตนะก็คือสัตว์ที่เกิดในภูมิที่ประณีตภูมิดีหรือว่าสัตว์ที่มีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธุ์ซามรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงยังไงหรือสัตว์ที่ได้ดีได้ตกยากด้วยที่พระจักรสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุ ข, ของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายะทุจริตวจีทุจริตมนุทุจริตติเ ต, ตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิเมื่อตายไปเขาเข้าถึงอบายทุกติวินิบัตินรกเนี่ยนะคือลักษณะของพฤติกรรมแบบนี้การกระทําแบบนี้ กรรมอันนี้ให้ผลไปเกิดที่ไหนที่ไหนที่ไหนโรงองค์ก็มองเห็นอย่างตลอดสายส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายะสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิธิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจ สัมมาทิฏฐิหลังจากตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เรานั้นย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประนีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซ้ ม, ม, มได้ดีตกยากด้วยที่พระจักสุอันบริสุทธ์ล่วงจากสุ ข, ของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี้ดูกพราม วิชาที่สองนี่รเราบรรลุแล้วในมัชชิมยามแห่งราตรีกําจัดอวิชชาเสียได้วิชาก็เกิดขึ้นกําจัดความมืดเสียได้ความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนเมื่อบุคคลอันนี้ก็คือวิชาที่แทงตลอดอริยสัตว์นั่นเองวิชาที่แทงตลอดวันนี้ทุกนี้ทุกกระสมุทัยอันนี้ก็กระโรธนี้ทุกะนี้ที่ที่จริงญาณ น, นี้บรรลุแม้กระทั่งก่อนที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยซ้าไป แต่ยานเหล่านี้มั่นคงแน่นอนเมื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะ น, นกเรียกว่าพระองค์นี่มีตาทิพย์ไม่จำเพนเห็นแง่มองเรียกว่าเหมือนกับดูทีวีเฉยเฉยนะไม่ได้มองเห็นแค่นั้นนะรู้เรื่องราวรู้เหตุรู้ผลมองออกทะลุตลอดสายทั้งหมดเลยทีนี้วิชาต่อไปที่แปกก็คืออาสวัคยายานวิชาที่รู้ ที่ทําให้สิ้นอาสวะได้อันนี้ก็คือวิชาที่แทงตลอดอริยสัตว์นั่นเองวิชาที่แทงตลอดวันนี้ทุกนี้ทุกกระสมุทัยนี้ทุกนิโรธนี้ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เป็นชื่อของมัรคยานนะหรือว่าวิชาที่สามารถทําให้รู้ว่านี้อาสวะนี้เหตุเกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะอันนี้ก็นับว่าเป็นวิชาข้อที่8 ในวิชาทั้งแปดเหล่านี้นี่แหละทําให้พระองค์นั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาจริงๆเนี่ยนะมันผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาอย่างนี้นี่แหละแสดงทําให้เราฟังอะเนาะเพรา ะ, ะธรรมที่พระองค์ทรงแสดงจึงเป็นวิชาเป็นธรรมะเป็นคําสอนที่น่าเรียนน่าศึกษาน่าประพฤติปฏิบัติตามน่าเอามาคิดน่าเอามาเพ่งตลอดจนถึงมอบกายถวายชีวิตนี้แด่คำสอนเหล่านั้น เพราะว่าไม่ใช่คำสอนที่เกิดจากการคาดคะเนจากการกะการนึกการสุ่มการเดาไม่ใช่แต่พระองค์นี่รู้แจ้งเห็นจริง จ, ง จ, งจงเกิดจากการบำเพ็ญบารมีทดลองศึกษาเรื่องนี้มาตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกับทุนที่ใช้ศึกษานี่ใช้ทุนอะไรบ้างรู้ไหมก็ บ, บอกว่าทานเนี่ยนะทานที่ไม่เคยให้ไม่มีเนีย่ยนะอะไรบ้างที่พระองค์ไม่เคยบริจาคไม่มีเล้ ทานนี่ให้มามากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเรียกว่าวิชานี้ทุ่มทุนมหาศาลกว่าจะเรียนจบเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอจบมาแล้วเราก็ไม่ควรละเลยนะปฏิบัติตามได้ไม่หมดอันนี้ก็นับว่ากับความเรียวแรงน้อยเนี่ยนะเราก็เห็นว่าเออเราบุญน้อยนะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทุกแง่ทุกมุมรู้แจ้งแทงตลอดบริบูรณ์ทั้งหมดแต่ก็นะ่าที่จะภูมใจยอย่างหนึ่งว่าเรามีบุญนะ ได้นับถือของท่านได้ศึกษาได้เรียนรู้นี่ถ้าหากว่าชาตินี้เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้รอเมื่อไหร่นะพระศีอริยะเมตไตรจะมาตรัสรู้มามีคุณสมบัติเพียบพร้อมแบบนี้แล้วแสดงธรรมแบบนี้มาโอ้รอไปเถอะฉะนั้นเป็นกิจที่จะต้องรีบขวนขวายเพียรพยายามว่า ง, งั้นเถอะด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความบักบันของบุรุษฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาจริงๆแล้วนี่ มาชีวิตของเราก็น่าสงสารนะนึกไปแล้วนี่เดยคุยกับโยมบางท่านบอกว่ายอมที่จริงยมตัดหนังสือพิมพ์มาเข้าเล่มนะั้นน่าจะมากกว่าพระไตรปิฎกแล้วนะที่อ่านอ่านเนี่ยก็ขนาดนั้นเ้าก็ยัง โ, โหทุ่มอ่านกันแล้วก็ซื้ออ่านก็คำสอนของพระ อ, อรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะถ้าเราสละครึ่งหนึ่งเท่าของของหนังสือพิมพ์นี่ก็วู้ดายสงสารอยู่เหมือนกัน พระพุทธเจ้านั้นไม่มีเฉพาะวิชขณะที่ศึกษากันไม่ได้มีเฉพาะความรู้อย่างนี้วพระองค์นี้ถึงพร้อมขณะที่อ่านครั้งหนึ่งถ้ากุศลจิตเกิดขึ้นก็เป็นทราบทรา์เหล่านี้ก็ควรสะสมพร้อถ้ามีทรัพย์เหล่านี้บริบูรณ์พอกภูมิแล้วน้อมไปเพื่ออย่างอื่นได้น้อมไปเกิดในภพภูมิต่างๆก็ได้เนี่ยนะหรือว่ามีทรัพย์เหล่านี้แล้วตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะ บรรลุมรรคผลนิพพานก็สําเร็จแต่ทรัพย์ไม่มีเลยนี่นะนะทรัพย์ไม่มีเลยปรารถนาโลกุตระคุณอย่างเดียวแม่งก็คากําไรเกินไปแล้วมื่อเนาะถ้าบรรลุไปแล้วนี่กิเลสไม่รู้จะเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนก็น่าเห็นใจน่าสงสารอยู่เหมือนกันพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเฉพาะวิชาเท่านั้นนะไม่ได้มีเฉพาะความรู้อย่างเดียวพระองค์นี้ถึงพร้อมด้วยความประพฤติด้วยนี่นะ จารณะเรียกว่าความประพฤติหรือปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นทางเป็นหนทางเพื่อบรรลุวิชาหรือเพื่อบรรลุพระนิพพานจารณะนี่นับว่ามีความสำคัญมากผู้ที่มีวิชาแต่ถ้าขาดจารณะก็เจริญไม่ได้เพราะ ว, าวิชากับจารณะนี่เป็นของคู่กันในจารณะ เหล่านั้นเนี่ยนะมีสิบห้าข้อก็อย่างเช่นศีลสัมปทาคำว่าศีลสัมปทาก็คือถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในพระปาติมโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทรออาจาระโคจระโคจรก็คื อ, คอ ท, ที่เที่ยวไปในในที่ที่ไปเนี่ยนะมีปกติเห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อย นะถ้าตามคำพีเขาบอกว่าเห็นอ ბ ัตทุกกฎใหญ่เท่าปาราชิกนั่นแหละคำว่ากันเห็นฝุ่นเล็กๆ เ, เขา่าภูเขาโน่นคำว่ากันสมทานศึกษาอยู่ในเสียขาบุตรทั้งหลายพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีศีลมากที่สุดในบรรดาผู้มีศีลทั้งหลายนับตั้งแต่ศีลที่สมัยบำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ด้วยหรือนับตั้งแต่ศีลที่เมื่อบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็มีศีลอย่างมากมายมหาศาล ไปศึกษาดูในพรหมชาลสูตรนะกล่าวถึงศีลของพระ อ, องค์นะนับตั้งแต่เวน้นจากปาณาติบาตเป็นต้นอันกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของพระพุทธเจ้านั้นบริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะบริสุทธิ์ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องศีลนะถ้าไม่มีใครเทียบกับองค์สมเด็จพระ